สำหรับอันนี้นี่ก็อยู่ในสังยุธิกายขันธวารวักนะครับเบนจะขันเป็นตัวสังหารกันและกันเช่นปัทวีธาตุอย่างเดียวเมื่อแตกสลายก็เอาธาตุที่เหลือแตกสลายไปด้วยนะมาคถ้ารูปขันนี่นะรูปขันเนี่ยมันก็มหาพุทธ ร, รูปใช่ไหมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมถ้าตัวใดตัวหนึ่งนี่มันพังไว้นะอีกสามตัวมันก็พังไปด้วย อันนี้ก็เข้าหลักพระบิรรมเป้เลยนะส่วนรูปประคันเมื่อแตกสลายก็พาเอาอรูปประคันแตกสลายไปด้วยแม้แต่ตัวรูปประคันนะถ้ามันแตกนะแตกไปจริงๆเนี่ยนะมันดึงเอานะเวทนาสัญญาสังขารขันบีนะขันพังไปด้วยนะอืมเพราะมันอาศัยซึ่งกันและกันอ่ะส่วนรูปประคัเมื่อแตกสลายก็พาเอาอรูปประคันแตกสลายไปด้วย นะอารูปประขันก็เหมือนกันนามาขัน น, นะนะอารูปประขันก็เหมือนกันเมื่ออารูปใดอรูปหนึ่งแตกสลายก็พาเอาอารูปที่เหลือเกิดร่วมด้วยนั้นแตกสลายไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกตัวเลยในนั้นนะ่ะถ้าวิญญาณขันมันหมดนะรูปขันอย่าเหลือเลยแล้วท่านอาจารย์ขยายต่อหน่อยไหมหลังขามแต่ละอย่างเนาะอาศัยซึ่งกันและกันเกี่ยวเนื่องกัน แล้วก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันความที่สังขารแต่ละอย่างช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเขาจึงเรียกว่าขัดใจแต่อย่าลืมนะว่าสิ่งที่สิ่งที่ถูกเกือ้อกูลมากๆอ่ะถ้าผู้เกือ้อกูลไม่มีเนี่ยสิ่งนั้นจะมีไหมไม่มีอย่างนามใช่ไหมนามธรรมเนี่ยสิ่งที่เกือ้อกูลนามธรรมก็คือวัตถุอย่างเงี้ยวัตถุนั้น ตัววัตถุเองก็เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปและมหาภูตรูปแต่และตัวเนี่ยอาศัยซึ่งกันและกันถ้าธาตุดินมีปัญหาธาตุน้ําเอาเรื่องนะนั่นแหละคล้ายๆมันเป็นสีพี่น้องอ่ะที่ทํางานสมัครสมานสามัคคีกันมากเลยตัวติดกันเลยอ่ะถ้าตัวหนึ่งมีปัญหาตัวที่เหลือก็ไปด้วยทีนี้มันกระเทือนไปจนถึงอุปาทายรูป วัตถุก็คืออุปาทายรูปอพอมันกระเทือนไปถึงอุปาทายรูปปับ๊บอุปาทายรูปอันนั้นเป็นวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเป็นที่อาศัยเกิดของนามนี้มันก็กระเทือนถึงกันหมดเลยไล่เสียหายไปทั้งระบบเขาบอกว่าท้องเสียอย่างเดียนะั้นสุขภาพส่วนหนึ่งก็ไปด้วยหมืนเลยในกายของเรานอะถ้าเลือดไม่ดีทั้อย่างเนี่ยนะกายก็เป็นไปทั้งทั้งร่างกายเลยนั่นแหละเพราะว่ามีความสัมพันธ์กัน คือจริงเรื่อนี้แสดง ถ, งถึงถึงถึงความไม่มีความมั่นคงเลยนะนยไม่มีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มั่นคงยั่งยืนหรือว่าที่จะถือเป็นสาระเลยน ะ, นะมันก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจริงๆอ่ะอย่างนี้เขาเรียวกว่าลักษณะของตีรณะปริญญาเป็นแบบนี้นะเป็นการไข่ครวญในลักษณะนี้มากๆเรียกว่าตีรณะปริญญาจะเป็นตุงขนาดนั้นใช่ไหมครับสงขร์ลงยานให้หน่อย <laughs> แต่ว่าถามว่า อันนี้เนี่ยได้จริงหรือไม่ก็เราไม่ต้องคํานึงว่ามันเป็นหรือไม่เป็นแต่ว่าให้รู้ว่าเคําสอนถ้าการพิจารณาลักษณะนี้ในคำภีร์เรียกว่าตีรณะปริญญาถามว่าเราได้ปริญญานี้หรื อ, อยังไม่เป็นเรื่องที่จะต้องสนใจมากนะสนใจว่าทํำยังไงเราจะพิจารณาอย่างนี้ได้บ่อยๆขึ้นมากขึ้นเพราะว่าท่านประสงค์เอาเอารูปในตัวเนี่ยเนี่ยเป็นหลักสําคัญทีเดียวนะเราเราจะทําให้เราอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยเข้าใจมากขึ้นซึ่งว่ารูปขันเนี่ย ซึ่งประกอบด้วยรูปยี่สิบแปดเนี่ยเราจะไปคิดว่าความแข็งของเสาสีของเพดานอะไรเนี่ยนะที่มันนอกตัวเนี่ยนะแต่ให้มุ่งเข้ามาที่ตัวเนี่ยนะถ้าเป็นรูปก็รูปในตัวเนี่ยถ้ามันมียี่สิแปดก็หายให้เจอนะยี่สิบปดเนี่ยนะยี่สิบเจ็ดครับหาให้เจอในเนี้อยู่ในเนี้นะแล้วก็พิจารณาไปนามขันก็เหมือนกันนะครับนะถึงแม้ว่าเราจะมีนามขันคนอื่นเนี่ยนะฮะก็ก็ ไม่ทางเวทเท่ากับเท่ากับในนี้ครับ<ช>นะ<ช>พอรูปขานพังนั้นนามขานพังไปด้วยไหม<ช>แน่นอนก <พอ S 2> ็ในตัวนี้เห็นเลยเราลองมองเห็นฝากำแพงดูนี่มันพังขนาดนี้เรายังเฉยเลยใช่ไหมก็มันพังอ่ะถ้าผิวหนังของเรามันพังเท่ากับกำแพงนี่ทำใจได้ไหมนั่นแหละทําใจไม่ได้หรอกเพราะภายในเนี่ยรู้สึกว่าสําคัญมากเพราะฉนนั้ถ้าเราเข้าใจภายในก็จะเข้าใจภายนอกด้วยก็ไม่ไ ม, ไม่ต่างกันนักเอ <c oughs> าวันนี้จะ ขอยกข้อความในคำภีมาชิมนิกายอุปริปันธาฉะฉะกะสูตรฉะฉะฉะนี้แปลว่าหกนะฉะกะก็แปลว่าหกเหมือนกันเป็นพระสูตรที่พระสมัยก่อนเนี่ยฟังธรรมหรือว่าฟังสูตรนี้พิจารณาสูตรเนี้ยบรรลุธรรมมากมากจนนับไม่ได้นะของเรานี้ทำให้รู้ร่องรอยของพระสมัยก่อนท่านปฏิบัติอะไรก็พอละ ยังไม่บรรลุก็คือถ้าบรรลุก็ไม่ห้ามมันนะแต่หมายความว่าเราได้ศรัทธาในคําสอนเหล่านี้นี่ก็ถือว่าได้บุญแล้วเพราะพระ อ, องค์บอกว่าแม้แต่ศรัทธาในคําสอนของพระ อ, องค์ก็ไม่ไปอาบายก็คือผู้ที่ศรัทธาในคําสอนคนนั้นแหละเชื่อว่าเป็นคนถึงธรรมมังสารนังคาฉามิก็เพราะศรัทธาในคําสอนเหล่านั้นแหละวันนี้ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ขอถึงขอรู้ตามอ่ะก็รู้ได้ทีละหน่อยทีละหน่อย นานๆเข้ามันก็รู้เยอะอกันนะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตพระคนครสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูจนทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจเหล่านั้นทูลรับพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย เราจะแสดงธรรมแก่เธอทั้งหลายอันไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดพร้อมทั้งอัฏถะทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคือธรรมะหมวดหกหกหมวดพวกเธอจงฟังธรรมะนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไป พิสูเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะทีนี้ทําไมพระองค์จึงบอกว่าพระองค์จะแสดงธรรมะที่มีความไพเราะเบื้องต้นก็ไพเราะท่ามกลางก็ไพเราะที่สุดก็ไพเราะแล้วก็เป็นการประกาศเป็นการประกาศพรหมจรรย์คืออะไรศีล ส, สมาธิปัญญาพรหมจรรย์ก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นการประพฤติอันประเสริฐ เป็นการประกาศอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่มีส่วนเหลือเพราะงั้นเด่ะถ้าหากว่ามีความรู้ความเข้าใจก็เชื่อว่าเป็นการแสดงธรรมที่ไม่มีส่วนเหลือทีนี้พระสูตรนี้เราไปฟังดูผลของพระสูตรนี้ก่อนนะผลของพระสูตรนี้ที่พระองค์ทรงแสดงอย่างเช่นในหน้า496เนี่ยนะลองดูย่อความสุดท้ายเลยข้างล่างพอพระผู้มีพระภาคตรัสภาสิทธินี้จบแล้วนะ ภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากําลังตรัสวิยากนภาสิตนี้อยู่ภิกษุประมาณหกสบรูปได้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมันอ่นนะฟังตามแล้วคิดตามเนี่ยนะพิจารณาตามเนี่ยเป็นท่าอรหันหกสิองค์อ่าก็บอกว่าคําว่าภิกษุประมาณหกสิบรูปนี้ นั้นไม่น่าอัศจรรย์คือพระบรรลุปเป็นพระอาหารหันห์หกองครตรงเนี่ยไม่น่าอัศจรรย์เลยที่เมื่อพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเองแท้ๆภิกษุ60สรูปที่ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันห์โอไม่แปลกกันนะพุทธเจ้าแสดงเองสูตรนี้แล้วบรรลุอ่ะเพราะว่าแม้เมื่อท่านพระธรรมเสนาบดีแสดงสูตรนี้ก็มีภิกษุหกิรูปบรรลุปเป็นพระอาหารหันห์พโมคะลานะแสดงก็ดีพระมหาเถระ80สิบรูปแสดงก็ดี ก็มีภิกษุหกสิบรูปสำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันพระอสีติแปดสิบองค์เนี่ยนะแสดงองค์ละครั้งบรรลุครั้งละหกสิบองค์อะ่ะนจะกี่องค์นะแปดสิบคูณหกสิบเท่าไหร่นั่นแหละโอโ้โหสูตรนี้ไม่ธรรมดาประมาณเท่าไหร่นะสี่พันแปดร้อยรูปโอโ้ยังไม่หมดนะแม้ข้อนี้ก็ไม่น่าอาัศาจรรย์เพราะพระสาวกเหล่านั้นท่านได้บรรลุอภิาใหญ่กันทั้งนั้น ก็แลในภายหลังพระมาลัยเทพเทระในเกาะลังก า, าพระองค์นี้แหละที่สัมนวนดังๆในดีกา ม, มาลายเทวสูตรอ่ะที่เทวะพระที่ชมโลกชมสวรรค์นี่นะก็คือพระองค์นี้แหละได้แสดงพระสูตรนี้ภายใต้โลหะประสาทถึงครั้งนั้นก็มีภิกษุ60รูปสําเร็จเป็นพระอรหันต์และพระเทระก็แสดงพระสูตรนี้ในปรมใหญ่ เหมือนพระมาลายเถระอพระมาลายเทพเถระแสดงในโลหะปราสาทนั้นเหมือนกันพระเถระเมื่อออกจากมหาวิหารแล้วก็ไปยังเจติยะบัรพศในที่นั้นก็แสดงเหมือนกันต่อจากนั้นก็ไปแสดงที่วัดสากียวงศ์ที่วัดกูตาสีที่ระหว่างหนองมีลานมุกดาที่เขาปาัดอปาตกาที่ปาจีนาคารกะก็คือเรือนตะวันออกทีเขาวาปี ที่ซอกเขาหมู่บ้านและพื้นที่เลี้ยงแพะแม้ในที่เหล่านั้นก็มีภิกษุ60สรูป60รูปสําเร็จเป็นท่ารหันเหมือนกันแสดงหนึ่งแห่งบรรลุ60สิรูปแสดงหนึ่งแห่งบรรลุหกรูปนะและเมื่อออกจากที่นั้นแล้วพระเถระก็ไปสู่จิตตะบรรพศคราวนั้นที่วัดจิตตะบรรพศก็มีพระมหาเถระมีพรรษากว่า60โอ้ พ, พระภาพพรรษา60นี้จะอายุเท่าไหร่ อายุ80แล้วอะ่ะอย่างน้อยก็อายุ20จึงจะบวชพระได้ใช่ไหมพระพันสาว60ก็แสดงว่าบวชมาตั้งแต่เป็นพระหนุ่มอะ่ะจนอายุ80แล้วอะ่ะแล้วก็ใกล้สาบบัวใหญ่ก็มีท่าลึกชื่อว่ากุรุวัชที่ท่านั้นพระเทระคิดว่าเราจะอาบน้ำจึงลงไปพระเทวะเทระก็ไปหาท่านแล้วเรียนว่ากระผมจักตักน้ำสงวายท่านขอรับด้วยการปฏิสันถานนั่นเองพระเระก็ทราบได้ว่า พวกคนเขาว่ามีพระมหาเถระชื่อว่ามาลายเทพท่านคงเป็นท่านรูปนี้แน่จึงถามว่าท่านเป็นท่านเทพหรือครับท่านบุนไม่มีใครที่ใช้มือถูร่างกายของเราตั้งหกสิบปีแล้วแต่คุณกลับจะอาบน้ำให้เราแล้วก็ขึ้นไปนั่งที่ตลิ่งพระเถระก็ทำบริกรรมมือและเท้าจนทั่วแล้วก็ส่งน้ำถวายพระมหาเถระ ก็คือมหาเทระก็มีเขบอกว่าพรรษายี่สิขึ้นไปเรียกมหาเทระอันนี้พรรษาหกสิบกวายุแปดสิบกว่าเนี่ยไม่เคยมีพระองค์ไหนส่งน้ำเขาเรียกว่าประพฤติวัดแล้วก็บีบนวดถวายแต่ก็พระมาลัยเทพเทระเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากมห า, าคือมีคุณธรรมสูงพระมหาเทระก็ยอมและวันนั้นก็เป็นวันแสดงธรรมวันฟังธรรมทีนั้นพระมหาเทระจึงกล่าวว่าคุณเทพคุณควรให้ธรรมะเป็นทานแก่เราทั้งหลายพระเถระก็รับ ว่าตกลงครับท่านเมื่อพระอาทิตย์ตกแล้วพวกคนก็ไปเป่าร้องฟังธรรมกันพวกท่านทระมหาเีระห0สิบรูปล้วนแต่เลยห0สิพันษาทั้งนั้นก็พากันไปฟังธรรมพระเทพเทระก็เริ่มสูตรนี้เมื่อจบสวดทานองแล้วและเมื่อจบพระสูตรพรามหาเีระห0สิรูปก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ ต่อจากนั้นท่านก็ไปแสดงที่ติดสะมหาวิหารแม้ในวัดนั้นก็มีพระเถระหกสรูปได้เป็นพระอรหันต์โอ้บรรลุกันเป็นธรรมดาเลยเนาะต่อจากนั้นก็ไปแสดงที่นาคสมหาวิหารใกล้หมู่บ้านกะละ ก, ะกัดฉะแม้ในที่นั้นก็มีพระเถระหกรูปได้เป็นพระอรหันต์ต่อจากนั้นก็ไปวัดกะรยาณีในวัดนั้นท่านก็ไปแสดงภายใต้ปราศาสในวันที่สิบ่ค่ำแม้ในที่นั้นก็มีพระเถระ หกรูปได้สําเร็จเป็นพระารหันในวันอุโบสถก็แสดงบนปราสาทที่บนปราสาทนั้นก็มีพระเถระหกสิรูปสําเร็จเป็นท่ารหันเหมือนกันเมื่อพระเทศเถระนั่นแลแสดงพระสูตรนี้อย่างนี้ในที่60ิบแห่งก็มีผู้สําเร็จเป็นพท่ารหันแห่งละหกสิรูปด้วยประการทนี้หกสิคูณหกิเท่าไหร่โอ้โหพระสูตรนี้นะกระบอกวันนี้ยังไม่พอบอกว่าแต่เมื่อท่านจุลนาคเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก แสดงพระสูตรนี้ในวัดอัมพิร ะ, ะ, ะกะวิหารมีบริษัทมีคนเนี่ยสามข่าวุฒอนาบริเวณเนี่ยเป็นกิโลเมตรบ ร, บริษัทเทวดาหนึ่งโยศเมื่อจบพระสูตรนั้นมีภิกษุหนึ่งพันรูปได้เป็นพระอรหันต์ส่วนในหมู่เทวดาจากจำนวนนั้นๆแต่ละจำนวนมีปุตุชนเพียงหนึ่งองค์เท่านั้นแหละ คนฟังสูตรนี้จบมีผู้ดุชนอยู่คนเดียวคนส่วนใหญ่เขาบรรลุกันหมดเลยฟังสูตรนี้คือให้เห็นความอัศจรรย์ว่าสูตรนี้ไม่ไม่ธรรมดานะลองเอาไปตรึกตามดูนั่นแหละท่านถึงกล่าวไว้ว่าที่อาสนะที่พระภิกษุนั่งที่วัดที่ที่เกาะลังกาที่เกาะลังกาเนี่ยนะไม่มีที่ใดว่างจากพระอรหันต์ที่ไม่เคยนั่งเลยไม่เคยบรรลุไม่เคยบรรลุผู้ที่ไปศรีลังกามานะจะนึกภาพออกเช่นวัดกาลยานีนี่นะอยู่ตรงไหนเนี่ยที่ประเทศศรีลังกานี่ เวลานี้ผู้ศาสนายัางมีให้เห็นอีกเยอะนะครับแล้วก็น่าเลื่อมสายมากเลยนะน่าไปเที่ยวนะตอนบางยุคเนี่ยนะที่ประเทศศรีลังกาเนี่ยไม่มีภิกษุปุตุชนแม้แต่รูปเดียวบางยุคนี่ ท, ที่ที่นั่นเฟื่องฟู ม, มากทีนี้เรามาดูว่าอท่านเหล่านั้นบรรลุ ก, กันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยของเรานี่ลองฟังสูตรนี้ดูทีจริงธรรมะมววเหล่านี้เราก็ฟังกันบ่อยแล้วละ่ะแต่ว่าให้เราได้ฟังที่เป็นพระสูตรล้วนๆดู หลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงแสดงอ น, นิสงค์ของของธรรมะหมวดนี้แล้วนะเหมือนกับพ่อค้าผู้ฉลาดเวลาเขาจะขายสินค้าเขาจะต้องโฆษณาสินค้าก่อนว่าสินค้านี้เป็นยังไงอย่างในสติปัฏฐานสูตรก็ยกเหมือนกันจะไม่ทางนี้เป็นทางสายเอกเพื่อก้าวล่วงโสกกะปริเทวทุกโทมนัตอุปายาตเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งมันก็โฆษณาสรรพคุณก่อนเหมือนกับขายายานะยานี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็ว่าไปก่อน ตรงนี้ก็เหมือนการพระองค์บอกว่าจะแสะดงธรรมะที่ไพเราะนั่นนะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐ์ทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์คืออารยมรรคเนี่ยอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคือธรรมะหมวดหก ห, กหมวดเหมือนกันให้พิสูุนเนี่ยใส่ใจให้ดีคือคําว่าใส่ใจหมายความว่าจําให้ได้เอาไปสาธยายไปแสดงไปศึกษาไปเล่าเรียนเอาไปปฏิบัติแล้วก็หลังจากนั้นก็มีพิสูจที่ทรงจํามาเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติ บางยุคบางสมัยก็มีพระอรหันต์มากพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าพวกเธอพึงทราบอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกหมวดวิญญาณหกหมวดภาษะหกหมวดเวทนาหกหมวดตันหาหกอนะก็คือมีหกใช่ไหมหกหกครั้งอะ่ะเขาเลยเรียกว่าฉากฉักตะฉานี้แปลว่าหกหกหมวดเหมือนกัน อ่าคำว่าพึงพวกเธอพึงทราบไอ้ทราบตัวนี้ทราบขนาดไหนนะเอาลองทายๆดูนีฟังธรรมะมาตั้งนานแล้วถ้าใช้คำว่าทราบอย่างนี้คู่เนี่ยเราจะเข้าใจว่าคำว่าทราบเนี่ยกินเนื้อความขนาดไหนหเอาทราบอ่ะเลยนะคำว่าทราบเป็นชื่อของวิปัสนาลและมัตนั่นแหละคำว่าทราบตัวนั้นเลยนะโน้ตไว้เลยว่าวิปัสนาและมัต ทราบแบบวิปัสนาเนี่ยทราบแบบไหนทราบแบบมรกเนี่ยทราบแบบไหนซึ่งเราจะศึกษากันต่อไปข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าเพึ่ทราบอายตนะภายในหนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วได้แก่อายตนะคือจากสุจากสุมีอะไรเป็นสมุิฐานมีกรรมเป็นสมุทฐานอายตนะคือโสตะก็มีกรรมเป็นสมุทฐานอายตนะคือคานะก็มี กรรมเป็นสมุทฐานอายตนะคือชิวหาก็มีกรรมเป็นสมุทฐานอายตนะคือกายก็มีกรรมเป็นสมุทฐานอายตนะคือใจก็ได้แก่ใจอายตนะที่ใจก็ได้แก่โลกิยจิตทั้งหมดแต่ของพวกเราก็โลกิยจิตแบบเราๆนี่แหละข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายใน6นั่นเราอาศัยอายตนะนี้กล่าวแล้วนี้ธรรมะหมวดหหมวดที่หนึ่ง อันนั้นฉา ก, กะที่หนึ่งาว่าไงเพราะฉะนั้นต้องรู้จักพึงทราบเนี่ยทราบในเรื่องอายตนะทั้งหกเหล่านี้ด้วยด้วยอะไรทราบทราบด้วยอะไรวิปัสสนาพร้อมกับมักอย่างน้อยที่สุดนะเมื่อกี้บอกแล้วว่าจากักษุเกิดเพราะกรรมเป็นสมุทฐานนี่ก็เป็นเบื้องต้นของวิปัสสนาแต่ถ้าหากว่าไม่ขึ้นต้นด้วยกรรมเลยนะวิปัสสนาต่อไม่ได้นะ ในน้อยที่ต้องในเรื่องนั้นนั้นต้องมีความรู้เรื่องกัรมเป็นอย่างดีแล้วค่อยต่อในเรื่องนั้นเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาส่วนใหญ่นี่นะท่านขึ้นต้นที่ไหนรู้ไหมที่อนิจจานุปัสสนาเป็นต้นตามเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาอันนี้ข้อต่อไปข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอกหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วได้แก่อายตนะคือรูป รูปมีกี่สมุธฐานอายตนะคือรูปรูปมีสี่สมุธฐานคือกรรมจิตอุตุและอาหารอายตนะคือเสียงอายตนะคือเสียงมีกี่สมุธฐานสองสมุธฐานถ้าเสียงที่กําลังดังนี้มีอะไรเป็นสมุธฐานจิตบางคนบอกอุตุเพราะแสดงว่าฟังเสียงฝนตกอยู่บอกอุตุ <c oughs> <c oughs> อายตนะคือกลิ่นกลิ่นนี้มีกี่สมุธฐานมีสี่สมุธฐาน อายตนะคือรถรสก็มีสสมุธฐานอายตนะคือโพธพะก็มีสสมุธฐานอายตนะคือธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์เนี่ยนะบางอย่างหนึ่งสมุธฐานบางอย่างสองสมุธฐานบางอย่างสสมุดฐานบางอย่างสสมุธฐานบางอย่างไม่เกิดแต่สมุดฐานใดๆเลยนะซึ่งให้ฝากกันบ้านไปศึกษากันต่อไป แสดงว่ารู้จักอายตนะเหล่านั้นนั้นตามความเป็นจริงพึงทราบนะเมื่อกี้ใช้คําว่าทราบด้วยวิปัสสนาพร้อมกับมัจนะแหละข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอกหกนั่นเราอาศัยอายตนะนี้กล่าวแล้วนี้ธรรมะหมวดหกหมวดที่หนึ่งข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าเพึงทราบหมวดวิญญาณหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือ บุคคลอาศัยจักสุและรูปจึงเกิดจักรสุวิญญาณจักสุวิญญาณาญญา น, นั้นมีวัตถุคือจกักขคูมีอารมณ์คือสีถ้าสีที่ดีจักรคูวิญญาณก็เป็นกุศลวิบากถ้าสีที่ไม่ดีจักรคูวิญญาณก็เป็นอกุศลวิบากเพราะฉะนั้นจักรคูวิญญาณมีสองอาศัยโสตะคือหูและเสียงจึงเกิดโสตะวิญญาณถ้าพวกเรานะ หูเป็นกุศลกรรมมาจากกุศลกรรมกันแต่มีอบางคนถ้ากรรมมาเบียดเบียนก็ทําให้หูเสียงกันทีนี้ตัวเสียงเนี่ยถ้าเสียงที่ดีก็ไปจิตที่เราได้ยินก็เป็นกุศลวิบากถ้าเสียงนั้นไม่ดีก็เป็นอกุศลวิบากเสียงก็มาจากกรรมมปัจจัยที่เป็นกุศลและอกุศลอาศัยคานะและกลิ่นจึงเกิดคานะวิญญาณอาศัยจมูก จมูกนีมีอะไรเป็นสมุทฐานนะเมกิมีกรรมเป็นสมุทฐานกลิ่นมีกี่สมุทฐานสี่สมุทฐานจมูกกับกลนเนี่ยจึงทำให้เกิดคานวิญญาณคานวิญญาณเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากก็อยู่ที่กลิ่นถ้ากลิ่นนั้นเป็นกลิ่นที่น่าปรารถนากลิ่นที่ดีก็เป็นกุศลวิบากถ้ากลิ่นที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลวิบากอาศิชิวหากับ รสจึงเกิดชิวหาวิญญาณลิ้นเกิดจากกรรมรสเกิดจากสมุตรฐานทั้งสี่แต่ส่วนใหญ่แล้วสมุทฐานที่เรารับประทานอาหารก็คือสมุทฐานเดียวคืออุตุแต่ถ้าน้ำลายนี่สมุทฐานเท่าไหร่น้ำลายนี่มันทีก็จากจิตเนาะจากอุตุจากกรรมด้วยไหมก็ปั จ, จัยไกลหน่อยอาจจะได้นะจากกรรมทีนี้อาศัยลิ้นกับ รถเนี่ยนะที่มากระทบกันเนี่ยเกิดชิวหาวิญญาณถ้ารถอันนั้นเป็นรถที่ดีก็เป็นกุศลวิบากของอนัมาเนี่นั่งอยู่นะอนามานั่งเนี่ยรับกุศลวิบากมากกับเพื่อนเลยทำไมอ่ะโอ้โหน้ําปะนะตั้งรลยรับรถหวานไหวใช่ไหมอย่างนี้เป็นกุศลวิบากท่านฉันบุญเก่าอย่างนันโยมก็ทําเหตุใหม่เพราะฉะนั้นชิวหาวิญญาณเกิดจากกรรมถ้ารถนั้นไม่น่าปรารถนาก็เป็นอกุศล มีบากคือตัวตัวชิวหาหนะเป็นผลของอกุศลอาศัยกายกับโพธาภะจึงเกิดกายวิญญาณนะกายกายคือถ้าตรงนี้เรากายคือส่วนไหนเราต้องนึกเป็นส่วนๆนะเรากระทบพร้อมกันทั้งตัวเลยไหมไม่ถ้ากายส่วนที่เป็นผมกระทบก็กระทบกับโพธาภะแบบผมถ้าหากว่าส่วนที่เป็นหนังกระทบก็ส่วนที่เป็นหนังส่วนที่เป็นเนื้อกระทบก็เป็นส่วนที่เป็นเนื้อ นั้นกายเนี่ยแต่ละแห่งแต่ละส่วนนี่ไม่ไม่เท่ากันและก็ส่วนที่เป็นปากเป็นลิ้นเป็นตาเป็นเป็นผิวหนังเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าเป็นที่เป็นแขนเป็นขาเป็นมือเนี่ยกายในส่วนส่วนเหล่านั้นเนี่ยก็มาจากกรรมที่แตกต่างกันรับกระทบอารมณ์คือโพธะส่วนใหญ่ก็แตกต่างกัน